ความตายสำหรับคนที่น้อยใจคนรอบข้างคือการจากไปที่น่าสัต์ใจความตายสำหรับคนที่ผิดหวังในกามคือการออกจากฝันร้ายที่ขมขืนสิทีคนเราตายเหมือนกันแต่รูปแบบการตายต่าง ก, กันความเชื่อเกี่ยวกับความตายก็ต่าง ก, กันการมีชีวิตอยู่อีกนานทำให้ความตายกลายเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความตายที่กําลังรออยู่ตรงหน้าทําให้การมีชีวิตอยู่ที่ผ่านมากลายเป็นเพียงความฝันเลวไหลที่กําลังจะเลือนหายไปจนหมดสิน้นศาสนาต่างๆพูดถึงความตายต่างกันแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าควรตายอย่างสงบสุขแม้คนไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าก็ต้องการตายอย่างสงบสุขเช่นกันพุทธเราเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือบอกว่า อย่าตายเปล่าอย่าเอาแค่ตายด้วยความเป็นสุขถึงแม้ตายขนาดจิตเป็นสมาธิขั้นชานก็นับว่าน้อยไปไม่คุ้มกับการที่มีโอกาสเป็นมนุษย์พุทธเราขอให้ตายอย่างเข้าใจเข้าใจว่าที่ตายไม่ใช่เราแม้ที่เกิดมาก็ไม่ใช่เราตัวเราเป็นแค่ความเข้าใจผิดคิดว่ากายใจอันเกิดจากกรรมเป็นอัตตาตัวตนที่แท้จริงถ้าเข้าใจให้ถูก ต้องกล่าวว่ากายใจเป็นแค่ที่ตั้งของความเข้าใจผิดเห็นอยู่ชัดๆว่ามันปรนแปรไปก็ยังอุตส่าห์อยากให้มันเหมือนเดิมเห็นอยู่ชัดๆว่ามันก้าวสู่ความแตกดับก็ยังอุตส่าห์หวังให้มันคงอยู่อาการที่จิตนิดเหนียวกายใจอย่างเหนียวแนนสะท้อนถึงความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับกายใจมาตลอดภาวะใกล้ตายนั้เป็นโอกาสสุดท้าย ที่เราจะทำความเข้าใจิใหม่ให้ถูกต้องหากทำได้ช่วงสุดท้ายนับว่ามีค่ากว่าทุกช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดดังตรินพฤศจิกายน50